ในวงของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปฐุมะพุทธเจ้าในกลับนี้มีพระพุทธเจ้าสามองค์นะองค์ที่หนึ่งอโนมาทศีองค์ที่ส อ, อง 2, พระนามว่าปฐุมะองค์ที่สามนารทะเนี่ยนะนี่ในกลับเดียวกันมีพระพุทธเจ้าเกิดสามองค์องค์ที่สองกล่าวว่าต่อจากสมัยของพระอโนมาทศีพุทธเจ้า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 ตรัสรู้ครั้งพระปฐุมะพุทธเจ้าทรงโอวาทพระโอรสของพระองค์เองเนี่ยนะคล้ายๆกับราหูโลวาทสูตรเนี่ยนะอภิสมัยการตรัสรู้ครั้งที่สาก็ได้มีแก่สัตว์แปดสโกธพระปฐุมะพุทธเจ้าผู้ผสแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ทรงมีสาวกสันนิบาตประชุมสาวกสามครั้งครั้งที่1เป็นการประชุมสาวกแสนโกธเมื่อกถินจีวรกถินจีวรก็คือหน้ากถินเนี่ยนะ ในสมัยกรานกทินพิกูุ์ทั้งหลายช่วยกันเย็บจีวรเพื่อพระสารถระพระธรรมเสนาบดีเรียกว่าเย็บไตรเย็บจีวรให้พระอัคารสาวกครั้งนั้นพิสูุนเหล่านั้นผู้ไร้มนทินมีอภิน ญ, ญาหกมีริทมากไม่แพ้ใครจำนวนสามแสนโกดก็ประชุมกันต่อมาอีกพระนราสภาพพระองค์นั้นเสด็จเข้าจพาพรรษาณตาใหญ่ครั้งนั้นก็มีการประชุมสาวก 2, สองแ 0,000 โกด สมัยนั้นเราเป็นราชสีพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยขึ้นไปขึ้นมาเอาไปเอามาเนี่ย น, นะสังสารวัตนอ้อเหมือนันชาตินี้เกิดเป็นราชสีเจ้าแห่งมรึกสมัยนั้นเราได้เห็นพระชนะพุทธเจ้าซึ่งกำลังเพิ่มพูนความสงัดในป่าใหญ่คือพระองค์เห็นแล้วเนี่ยนะจะไปเพื่อสงครอบพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นราชสีนั่นแลเราได้ใช้เสียงกล้าวถวายบังคมพระบาท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 เป็นเนื้อก็เป็นเป็นลิงก็เป็นโอ้เป็นหลายอย่างไงนะเพราะฉะนี้กลับสุดท้ายนะขนาดศิียสงไข่แสนกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายนี่ก็น่าสงสารตัวเองเหมือนกันนะถ้าไม่เห็นอริยสัจนี่นะโอ้ยเจริญการุณาให้ตัวเองเยอะๆ น, นนะขอให้พ้นโสกกระปริเทวทุกขโทมานัตอุปาญาตอยู่เถิดต่างกั น, นพระโพธิสัตว์ก็เป็นอะไรเป็นราชสี แต่แล้วก็ไปถวายบังคมพระบาทกระทําประทักศิณพระองค์บรรลือศหนานสาครั้งบำรุงพระชินเจ้าเจ็ดวันแปลว่าเป็นยามเลยนะพระพุทธเจ้าเข้าสมาบัติใช่ไหมราชสีตัวนี้เนี่ยนะเป็นคนคอยดูแลพระพุทธเจ้าใครยังม่ยุ่งมาฮนะบูชาเนี่ยนะเป็นยามถวายเนี่นะคือพระโพธิสัตว์จริงๆแล้วพระองค์อยู่ในกําเนิดได้พระองค์ก็สร้างบารมีได้แต่ว่าการจะสร้างบารมีให้เต็มที่ก็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 อัครส า, าวกข้างขวาชื่อว่าอุปติสะผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมัน่นพุทธอุปถาชื่อว่าพระอานันท h a จักบำรุงพระชินะพุทธเจ้าผู้นี้จักมีพระอัครส า, าวิกาชื่อว่าพระเขมาและพระอุบลวานนาผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมัน่น พอพลึกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นอสัต tha อัคคระอุปถาชื่อว่าจิตตาและหัต t h อรละกะอัคคระอุปถายิกาชื่อว่านันทมาตาและอุตตราพระโคดมผู้มีพระยสมีพระชนมายุร้อยปี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 ผู้มีคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์นั้นเนี่ยนะทรงมีนครที่เมืองเกิดชื่อว่าจำปะกะพระชนกนามวา่าพระเจ้าอาสมะพระชนนีพระพุทธมารดาพระนามว่าพระนางอาสมาหญิงผู้ไม่มีผู้ใดเสมอเนี่ยนะพระองค์ครองคารวาตวิสัยอยู่ประมาณหมื่นปีมีปราศาส์ชั้นเยี่ยมอยู่สามหลังชื่อวั น, นันทะวะสุและยะศัตระ มีสนมนารีที่แต่งกายงามสามหมื่นสามพันนางมีอัคราเหสีพระนาวา่าพระนางอุตราพระโอรสนาวา่ารัมมะน่ารื่นรมนี่นะพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเห็นนิมิตสี่เสด็จออกอภิเิสกรมด้วยยานคือรถตั้งความเพียรแปดเดือนเต็มจึงตรัสรู้นี่นะพระมหาวีระปทุมะพุทธเจ้าผู้นำโลกผู้สงบอันธามหาพรหมาราธนาแล้ว ประกาศพระธรรมจักรณทนัญชัยราชจุทยานอันสูงสุดพระปฐุมะพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีพระอักระสาวกชวสารและอุปสาระมีพระพุ้ท่อุปถาชื่อว่าวรุณะมีอักระสาวิกาชื่อว่าพระราธาและพระสุราธาโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฐุมะ พระองค์นั้นเรียกว่าต้นมหาโสนะทีกำไม้ไม้อ้อยช้างใหญ่เนี่ยนะไม้อ้อยช้างใหญ่เป็นต้นใหญ่พันใหญ่อะอัคาราอุปถาชวาสพิยะและอสมะมีอัคาระอุปถาญาคายาชว่ารุจิและนันทิรม า, มาราพระมหามุนีสูง58าดซอกรัศมีของพระองค์ไม่มีอะไรเสมอเล่นไปทุกทิศเนี่ยนะเล่นออกจากพระรวรกายทุกทิศ แสงจันท์แสงอาทิตย์แสงรัตนะแสงไฟและแสงมณีเหล่านั้นพอถึงพระรศมีของพระชินเจ้าอันสูงสุดก็ถูกกําจัดไปสิ้นหมายความว่าไม่มีแสงอย่างอื่นจะมากลบแสงหรือพระพุทธรังสีหรือพุทธรศมีของพระองค์ในยุคนั้นมนุษย์มีอายุแสนปีพระองค์มีพระชนยืนถึงเพียงนั้นก็ทรงยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอฆาสงสาร พระปฐุมะพุทธเจ้าพระองค์นั้นทั้งพระสาวกยังเวนยศัตร์ผู้มีอินทรีแก ล, กล้าแล้วให้ตรัสรู้โดยไม่เหลือเลยนะผู้ที่อยู่ในวิสัยแห่งพุทธเวใน ส, สาวกเวไนเป็นต้นก็มีการช่วยเหลือพันส่วนที่เหลือพระองค์ก็ช่วยการพร่ำสอนหลังจากนั้นก็เสด็จดับขันปรินิพานพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งสาวกละสังขารทุกอย่างเหมือนงูลอกคราบ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 การสร้างเจดีย์ก็กระจัดกระจายไปตามนั้นเนี่ยนะจึงไม่ได้มีเจดีย์ใหญ่จริงๆอธิบายตามอัตถกถามทุรัตถาวิลาสณีอัตถกาถาพุทธวงศ์กล่าวว่าต่อจากสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าอนนมทศิีมนุษย์ทั้งหลายที่มีอายุแสนปีก็ลดลงลดลงตามลำดับจนอายุสิบปีพอถึงยุคมนุษย์อายุสิปีเกิดมิขสัญยี ขึ้นนมีสัตว์ทันตรกับเป็นต้นเนี่ยนะก็มีการแข่งข่าร้างพลานกันในที่สุดก็เริ่มมามีศีลมีธรรมอายุเพิ่มขึ้นตามลำดับจนถึงอายุอสงไขยปีแล้วก็ลดลงมาเหลือแสนปีว่าขึ้นสูงรล้วแล้วก็ลงต่ำเนี่ยนะเหลือช่วงแสนปีครั้งนั้นพระศ า, าสดาพระนามว่าปทุมะทรงอุบัติขึ้นในโลก คือการเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าจากองค์หนึ่งสู่องค์หนึ่งไม่ใช่ผู้าศาสนาขององค์หนึ่งหมดแล้วองค์หนึ่งงอกขึ้นมาได้แปลแบบนั้นนะไม่เหมือนการสืบพันธุ์สายพันธุ์ในลันนนกษณะนั้นกรโน่แหละนันห่างกันมากแม้าศาสดาพระองค์นั้นก็ทรงบำเพ็ญพระบารมีบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตจุเตจากดุสิตก็ถือปฏิสนธิในพระขันของพระนางอสมาผู้ไม่มีผู้เสมอด้วยพระรูปเป็นต้น จะเปรียบเรื่องรูปงามก็ไม่มีใครเสมอพระนางเน่ยนะเป็นต้นชาติตระกูลสูงเป็นต้นนั่นเองอัครมเหสีในราชสกุลของพระเจ้าอาสมราชกรุงจำปะครบครบกำหนดทศมาสิเดือนแล้วพระองค์ก็ประสูตรจากพระคันของพระชนนีณนะกรุงจำปกะราชจุทยานเมื่อพระกุมารสมภพฝนปฐุมะฝนดอกบัวก็หล่นจากอากาศตกลงที่ท้ายมหาสมุทร ทั่วชมพูทวีปแล้วฝนดอกบัวก็ตกลงมาแสดงว่าอดีตชาติพระองค์ทาบุญด้วยดอกบัวมากเลยนะด้วยเหตุนั้นในวันขนานพระนามพระกุมาร น, นั้นพวกโหรและเหล่าพระประยุรญาตจึงขนานพระนามพระองค์ว่ามหาปทุมกุมารพระองค์ทรงครองคารวะวิสัยอยู่ประมาณหมื่นปีพระองค์มีปราศาสตร์สามหลังชื่อว่านันทุตระวะสุตระและยะสุตระเนี่ยนะปรากฏ สนมนารีประมาณสาม่นสามพันนางมีพระนางอุตตราเทวีเป็นประมุก ค, ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เมื่อรัมราชกุมารโอรสเนี่ยนะโอรสของพระนางอุตรามหาเทวีสมภพโลงก็เห็นนิมิตรสีเสด็จออกอภิเนศกรมด้วยรถยานเทียมมารถเทียมมา้าบุรุษโกดเนี่ยก็บวชตามเสด็จพระโพธิสัตว์ซึ่งผนวดอยู่นั้นพระโพธิสัตว์อันบุรุษเหล่านั้นเวทล้อมแล้วบำเพ็ญเพียรอยู่8เดือน ในวันวิสาขปุรรมีสเสวยข้าวมาทูปายาซึ่งพระนางทัน ญ, ญวดีที่ดาของสุทันญยญเศษธีกรุงทัน ญ, ญวดีถวายแล้วพระองค์ก็ยับยัง้งภักกลางวันนะมหาสารวันตอนเย็นก็รับญา8แปดกรรมที่ติดตกะอาชีวกถวายสเสด็จเข้าไปยังโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ชื่อว่ามหาโสนะไม้อ้อยช้างใหญ่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 พระองค์ก็ยับยั้งอยู่ใกล้โพพฤกเจสัปดาหสรงรับอาราธนาเท้ามหาพรหมทรงตรวจดูบุคคลซึ่งเป็นภาชนะรองรับพระธรรมเทศนาพระองค์เห็นภิกษุจํานวนโกธซึ่งบวชกับพระองค์ในทันใดก็เสด็จไปทางอากาศลงนะธ น, นชัยราชจุฬญาญาณใกล้กรุงธัญญวดีอันภิกษุเหล่านั้นแวดล้อมทรงประกาศพระธรรมจักท้ามกลางภิกษุเหล่านั้นครั้งนั้นอภิสมัยได้มีแก่สัตว์ร้อยโกด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 ในการประกาศถ้าธรรมจักรของพระองค์ผู้มีเดช ท, ที่ช่างไม่ได้อภิสมัยการตรัสรู้เป็นเครื่องลอยความมืดใหญ่มีสามครั้งแกรละก่านลอยอวิชโชคะลอยอวิชชาความมืดบอดความมืดมนอนทการไม่รู้อดีตอนาคตไม่รู้ทั้งอดีตอนาคตไม่รู้ปฏิจจสมบาติไม่รู้ทุกไม่รู้ทุกขสมุทัยไม่รู้ทุกขานิโรธไม่รู้ทุกขานิโรธาขามินีปฏิปทาการประกาศธรรมะของพระองค์นั้น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 ความที่สมาธินั้นไม่มีที่สุดเพิ่งเห็นในย ม, มะกะปาฏิหารเปิดโลกเป็นต้นตอนที่พระองค์แสดงย ม, มะกะปาฏิหารเนี่ยนะสมัยนั้นนี่ถ้าไม่มีสมาธิระดับนั้นเนี่ยจเจริญย ม, มะกะปาฏิหารขนาดนั้นไม่ได้และตอนที่สมัยที่พระองค์ลงจากเทวโลกและเปิดโลกให้ให้สัตว์เนี่ยนะมองเห็นมนุษย์เห็นนรกเห็นเทวดาเป็นต้น บทว่าญานวรังพระสัพพัญยุตยานของพระองค์เนี่ยประเสริฐเนี่ยนะประเสริฐแล้วก็นับไม่ได้ด้วยไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไมีอะไรจะเปรียบเทียบเปรีย บ, ยบนับได้หรืออาสาธารณายานญานที่ไม่สาวกแกไม่สาธารณะแกะ่สาวกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างอาสยานุสยายานอินทรียะโปรปริยตยานญานที่ยังรู้อัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลาย ยานที่รู้ความยิ่งความหย่อนแห่งอินทรีย์ทั้งหลายอาสยานุสยายานและอินรียะโปรปริยติยานเป็นชื่อของพุทธจักสุดวงตาของพระพุทธเจ้าเอาไว้สำรวจตรวจตราผู้ที่มีบุญวาสนาอุปนิสัยอัธยาศัยพอที่จะตรัสรู้ได้และพระองค์ก็ยังมียมกะปาฏิหาริยายานแสดงยมกะปาติหันเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็พระองค์มีมหาการุณาสมาบัติยาน ที่แผ่มหากรุณาสมาบัติหาในยะที่สุดไม่ได้ยามเช้ายามบ่ายและพระองค์ก็มีสัพพัญญุตญาณมีอารณาวรรณาญาณอย่างรู้อดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันทั้งสังคตะอสังคตะโดยไม่มีส่วนเหลือโดยมีอาณาวารณาญาณญาณที่ไม่มีอะไรติดไม่มีอะไรขวางกั้นเรียกว่าพระองค์นั้นมียาณที่ประเสริฐสูงสุดแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุด